ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกใจดวงเดียวนี่แหละคนทั้งคนนะไม่ใช่อย่างอื่นใดบุคคลทำความดีใด ก็เพื่อใจดวงเดียวนี่เนี่ยโดยเชื่อแน่ว่าความดีที่ตนทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นสุขก็จึงได้ทำความดีกันเชื่อว่าความชั่วนั่นไม่ควรทำพราพอทํทำแล้วมั น, นอำนวยผลให้เป็นทุกข์ ก็จิตนี่แหละเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นเป็นทุกข์ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรสุดแล้วแต่จิตจะใช้มันให้ไปทำอย่างไรมันก็ทำไปตามบงกความบงการของจิตเท่านั้นเองผู้ใดมันรู้อย่างนี้แล้ว ก็จึงาต้องทำความดีนั่นแหละเพอํำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนก็เกลียดต่อความทุกข์ไม่ต้องการเลยความที่จิตมีอาการกระวนกระวายเดือดร้อนไม่เยือกเย็นนั่นใครๆก็ไม่ชอบ แต่บางคนไม่ชอบหากไม่ยอมฝึกกิจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในความดีปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถึงแม้จะไม่ชอบความทุกข์ถ้าตนไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้มันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ มันต้องเข้าใจกันอย่างนี้ที่ว่ารู้จักทุกรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นมันก็ต้องรู้กันเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้สดับตรับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็ชื่อว่า ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเองเพราะพระองค์ทรงสแสดงธรรมก็เพื่อเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้มาพิจารณาดูความทุกข์ของชีวิตนี้ก่อนอื่นทั้งหมดดูแต่ในอริยสัจสี่นะนะ พระองค์ก็ทรงยกทุกข์ขึ้นมาก่อนอริยสัตว์อื่น <c oughs> ถ้ า, าว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อทุกข์แล้วจะไม่ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันทวนกระแสของความรู้สึก นึกคิดของคนเราเช่นอย่างว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตัณหานั่นควรละ เ, เมื่อละตัณหาได้ทุกข์กระดับไปบัดนี้เมื่อจิตใจมันยังชอบกับตัณหาอยู่มันก็ไม่ยอมละอยู่ดีๆ น, นะนี่นั่นมันก็ยังส่งเสริมความอยากนี่ ให้มากขึ้นโดยลำดับได้สิ่งของที่ชอบใจมาแล้วได้เท่านี้ก็ยังไม่พออยากได้อีกเพราะอะไรมันจึงอยากได้อีกอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเลยได้มาแล้วมันก็แปรโฟวนไป สู์หายไปเช่นได้เงินได้ทองมาแล้วไม่ใช่เอามาบูชาไชว้เฉยๆอะไรเอามาแล้วต้องไปใช้จ่ายเป็นแรกเอาสิ่งของของผู้อื่นนั้นมาบริโภคใช้สวยสิ่งไดที่ทนทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเงินนั่นแหละเป็นแรลกเอามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเงินมันก็หมดไปต้องหาใหม่ การแสวงหาเงินทองเข้าของนั่นมันไม่ใช่มันเป็นสุขสบายเมื่อไรมันมีแต่ความทุกข์ยากลบาบากไม่ไม่ใช่ว่าเป็นนิรมิตเอาได้เลยเงินทองเข้าของต่างๆซึ่งไม่เหมือนอย่างพวกเทวดาเทวดานั้นนิรมิตเอาได้ เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากอัมอนมนุษย์เรานี่บุญไม่มากไม่สามารถที่จะไปเนรมิตเอาทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรได้ต้องได้แสวงหาด้วยนำพักนำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำบางลายแสวงหาไปไปกระทบกับคนอื่นเข้าให้อา้าวก็เกิดเป็น ผูกพยาบาทจองเวรกันวางแผนฆ่ากันตายเมื่อนี้ปัญหาความทะยานอยากของมนุษย์เราอยากไปอยากไปไปเกาะเป็นอกุศลกรรมขึ้นมาไปสร้างกรรมสร้างเวรผูกพันกันไปในสงสารนี่ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นกบทะเลอีวาดกัน แตกสามัคคีกันในระหว่างเพื่อนฝุงหรือในระหว่างครอบครัวบางทีเมียไปเล่นชู้จากผัวบางทีก็ผัวไปเล่นชู้จากเมียเมื่อฝ่ายหนึ่งรู้เข้าก็ต่อว่ากันทะเลาะกันไปบางลายก็ฆ่ากันตายบางลายก็อย่าร้างกันไป หมนีมีอยู่ถมอไปถ้าจะรรวนาโทษของตัณหาแล้วมันมากจริงๆเนะี่ยไม่มีที่สิ้นสุดความอยากอันนี้นะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมิวภาคเก้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพยายามละความอยาก ให้มันอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมอย่าให้มันลำ่ำขอบเขตแห่งศีลธรรมออกไปแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ไรเหมือนาำ ว, ว่าทุกข์ในปัจจุบันก็ไม่มากเนี่ยที่จะไปสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ไม่ได้ไป บุคคลผู้ควบคุมความอยากในหัวใจให้มันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อเมื่อบุญวาสนาบา ร, รมียังไม่เต็มบุญนี้ก็จะพาท่องเที่ยวเกอแก่เจ็บตายอยู่สวรรค์บ้างลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่บ้างตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่แหละ มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบา ร, รมีสืบต่อหมดอายุสังขารแล้วผลแห่งบุญอันนี้ก็นำไปสู่สวรรค์ไปเสวยผลบุญที่ตนทำอยู่ในโลกนี้หมดผลบุญอันนั้นลงไปแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดดี เกิดในตระกูลสูงร่ำรวยมีเงินมีทองมากเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันย่อมติดสอยห้อยตามให้บุคคลได้รับความสุขในภพในชาติที่เกิดนั้นในเมื่อบุญยังไม่หมดนะหมดบุญในสวรรค์แต่ว่าบุญ ที่จะตกแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าหมดบุญในสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นคนทุกคนจนทันทีไม่ใช่เหมืความว่าบุญกุศลที่จะให้อยู่ในสวรรค์นันมันหมดลงแล้วอันนี้บุญกุศลที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยังมีอยู่มันจึงต้อง นำดวงกิจันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พูนสุขด้วยลาบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจแล้วทั้งมีสติปัญญาดีด้วยคนมีบุญนะรู้จักละความชั่วทำความดีได้เหมือนอย่างคนเรามาเกิดในโลกปัจจุบันนี่แหละเราก็เห็นกันได้คนผู้มีบุญแล้ว มันก็ไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณนั่นโดยส่วนเดียวเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าเข้าไปแล้วเกิดเห็นโทษแทงกรรมคุณทั้งหลายว่าเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังนั้นจึงได้พยายามเข้าวัดเข้าวาทําบุญให้ทันรักษาสินหา้าสินอุโบสถ ฟังธรรมไปฝึกผลอบรมจิตใจไปเป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะในวันอุโวสถวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำอย่างนี้คนผู้มีบุญทั้งหลายก็ชอบเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแต่คนบุญน้อยมากสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันไม่นึกคิดเสียเลยว่าจะไปจำศีลอุโวสถอยู่ในวัด เพราะว่าบุญไม่ถึงยังว่าเราจะทำความดีอะไรนะมัอาศัยบุญเก่านะั่นนะมากระตุ้นนะให้เข้าใจคนไม่มีบุญเก่ามากระตุ้นตักเตือนแล้วมันไม่คิดถึงบุญเลยคิดไม่ได้ตัณหาอาวิชชามันไม่คิดมันได้คิดไปตั้งแต่ความอยากได้สม บัตรอันเป็นส่วนโรกีเนี่ยเป็นส่วนมากเลยทีเดียวที่มันจะคิดถึงบุญกุศลมีน้อย<ม>นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุเพกตาปุญญาตาผู้ใด้ทำบุญกุศลความดีไว้ในปางก่อนทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนำไปสู่ความเจริญ <c oughs> หนึ่งได้เกิดอยู่ในประเทศอันสมควรสองได้คบผาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตสามได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบสี่ได้ทำบุญกุศลมาแต่ในชาติปางก่อนนี่คุณธรรมสี่อย่างนี่มันเนื่องกันให้เพิ่งเข้าใจ ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างนั้นว่าประเกิดในประเทศที่สมควรหมายความว่าประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าไปอุบัติบังเกิดขึ้นในประเทศนั้นหรือมิฉะนั้นก็ได้พบพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ ที่ปัจจุบันที่ร่วงลับมาแล้วนั้นก็เป็นเหตุให้ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัรฑิตเพราะว่าผู้ที่มีบุญได้มาเกิดในพุทธศาสนานี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีปัญญาสามารถละความชั่วได้ทำความดีได้ ทำความดีให้เห็นเป็นตัวอย่างของคนอื่นคนใดมีบุญวาสนาที่ได้ทำมาแต่ก่อนเห็นบัณฑิตนักปราชญ์ท่านทำความดีให้เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกนึกคิดว่าท่านผู้นั้นคงจะมีความสุขแน่ท่านทำดีท่านมีจิตใจเป็นบุญกุศลท่านคงมีความสุขสบายใจดีถ้าไม่ทำความชั่ว เมื่อเห็นเขาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะประพฤติความดีตามอย่างนักปราชญ์บัณฑิตนั้นจึงได้พยายามเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตนั้นฟังโอว่าคำสอนของท่านเมื่อรู้ว่าการประพฤติทางกายวาจาใจอย่างนี้อย่างนี้เป็นความประพฤติชอบ ประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลเชนีก็จึงพยายามตั้งตนอยู่ในที่ชอบด้วยระบอบแห่งศีลธรรมอันดีงาม <c oughs> ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะได้ทำบุญกุศลคุณงามความดีมาจากในปางก่อนบุญกุศลอันนั่นแหละมา โดนใจให้เลื่อมใสในนักปราบบัณฑิตนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจักสีคุณธรรมสี่อย่างนี้เหมือนกับล่อรถนำไปสู่ความเจริญหมายความว่าเมื่อบุคคลใดได้มาเกิดในประเทศอันสงควรมีพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็ได้พบ นักปราดบัณฑิตได้เลื่อมใสได้ฟังธรรมคำสอนของท่านและวันนี้ก็ตั้งตนอยู่ในที่ชอบไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีบุญกุศลก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจของผู้นั้นนี้ทั้งบุญเก่ามาสมทบเข้าด้วยดังนั้นชีวิตของผู้นั้นจึงเป็นผู้เจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญ เยือนยอว่าเป็นคนดีเป็นคนมีบุญและมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคใครไข้เจ็บอันร้ายแรงเมื่อบคุคคลเป็นผู้มีบุญอย่างว่านี้แล้วมันก็ยิ่งได้ทำบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยไม่มีถอยหลัง เหมือนอย่างผู้เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้มาเห็นตัวอย่างอันดีงามของอุปชาอาจารย์ที่ทำมาให้เห็นนำพาทำความดีให้เห็นตามธรรมวินยัยผู้เป็นสานุสิบได้ทำตามฝึกตนไปตามอย่างนี้ มันก็เกิดผลดีขึ้นมาในใจิตใจทําใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไปโดยลำดับเมื่อใจนี้มันสงบจากกิเลสบาปธรรมแล้วมันก็มีความสุขอืมกิเลสมันดับไปเท่าไรความสุขใจมันก็มีมเท่านั้นความสงบใจมันก็มีเท่านั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะ เมื่อได้มายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปประพฤติปฏิบัติตามตามฐานะตามภูมิของคฤหัตเห็นในทานรักษาศีลภาวนาอย่างนี้พยายามภาคเพียนปฏิบัติไปละ่ะชีวิตของผู้นัน้นก็ยอมเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศล มีใจสงบมีใจเยือกเย็นก็ย่อมมีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจสงบใจเยือกเย็นจากความเชือ่อชั่วร้ต่างๆนั้นต่างหากความสุขไม่ได้อยู่ในที่อื่นความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองเข้าของลาบยศต่างๆหมูนั้นพราะของเหล่านั้น่ะมันไม่จรังยัง่งยืน เมื่อมีมามากมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มีโจรขโมยมาคอยจี้คอยปร้นคอยแย่งสิงเอาอย่างนี้แหละมีคนมาขอคู่ขอยืมไปแล้วไม่ใช่ก็มีเยอะแยะคนมีเงินหลายต้องเที่ยวไปทวงเอาดีไม่ดีเขาก็ฆ่าล้างนี่ซะเลยนี่มัน มันจะมีความสุขมาจากไหนมีเงินทองมากมากนะะไม่มีเงินไม่มีทองก็เป็นทุกข์ต้องหากันโดยกำพ้นทนแดบบดเนตเนยเมื่อยลา้าก็ไม่ได้หยุดได้ยอนเราลองคิดดูความสุขอันจากเงินจากทองเข้าของเรานี่ มันมีอยู่ที่ไหนแบบนี้อนนเออก็มีอยู่ที่การใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเอาสิ่งของเอาปัจจัยสี่มาบำรุงชีวิตอันนี้อยู่นั่นจะไม่เป็นความสุขหรืออันนั้นยอมรับว่าเป็นความสุขจริงแต่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ว่าเป็นความสุขยั่งยืน เพราะว่าเงินทองเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงวัตถุสิ่งของที่เอามาเหเลีเ้ยงอัตภาพร่างกายนั้นก็ไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงอำนวยความสุขให้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลาที่มันยังไม่แปลผันเท่านั้นแหละ อย่างร่างกายอันนี้เมื่อบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนยังอุปถรัรมภำุงอยู่และบาปที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่ให้ผลมันก็ดูเหมือนมีความสุขสบายไปขณนเมื่อบุคคลใดได้ทำบาปมาแต่ชาติก่อนนั้นบาปนั้นมันคอยหาโอกาส พอมันได้ช่องได้โอกาสแล้วมันให้ผลชีวิตนี่ก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปความสุขอันที่ว่าสุขไปด้วยมีเงินทองเข้าของมากๆ ม, ม, มีลาบมียศดมากๆอันนั้นหายไปเมื่อกมเนิมันตามมาสนองแล้ว บันดาลให้โจรจี้พร้นเอาสมบัติไปมดเมื่อหมดตัวเรือบางทีก็บันดาลให้ไฟไหม้บ้านโอดไว้ลงไปบางทีก็บันดาลให้น้ำท่วมทรัพยากรต่างๆเช่นข้าวพืชผักต่างๆอะไรพวกนี้บางทีก็บันดาล ใ, ให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นมา พัดถล่มทลายบ้านเรือนให้พังพินาศลงไปหาที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ดังที่ปรากฏเห็นมาโดยลำดับนั่นอลองดูสิเรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยที่มนุษย์สร้างเอามาเมื่อเวลามันตามมาให้ผลแล้วมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นทีนี้คนบางคนน่ะ เมื่อบุญกุศลอํานวยผลให้ตนเป็นสุขแล้วนึกว่าตนนั้นจะไม่ประสบกับความทุกข์เหล่านั้นเลยลืมตัวบ่ะนี้นะไม่ได้สร้างที่พึ่งไว้ในใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้เรียกว่าไม่ได้สั่งสมทรัพย์ภายในคือบุญกุศลไว้ไปเชื่อมั่นแต่ ในทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเข้าของเป็นต้นเหล่านั้นว่าจากอํานวยความสุขไข่ตนไปเรื่อยๆนั่นแหละความมัวเมาประมาทเมื่อเวลาภัยมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้ไขแก้ไขใจตัวเองไม่ได้เลยมีแต่สะุ่งหวาดกลัวต่อภัยพิบัติอันตรายต่างๆก็ได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจ โอ้เรานี่หนอไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยเข้าของมากมายขาย้อง้เราแต่ก่อนเมื่อเรายังปกติอยู่นั้นก็ไม่ได้ทำบุญทำทานวัดนี้หมดโอกาสที่จะได้ทำบุญทำทานเสียแล้วทรัพย์ที่หามาได้มากมายนี่กระสูนไปเปล่าๆเามื่อก็มีแต่ความช้าใจความคับแค้นใจ ขึ้นมาดังนั้นพระบรมศา ส, าสดาจึงได้ทรงแสดงความทุกข์ในการแสวงหาสมบัติภายนอกนี่ว่าเป็นทุกข์อยู่ในสามการคือทุกข์ในเวลาแสวงหานั่นอย่างหนึ่งเมื่อเแสวงหาได้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแล ไม่มันเสียหายเราเป็นทุกข์ในเวลามันเสียหายมันพลัดพากจากไปก็เสียดายอะไรมันนี่ซับภายนอกนะบุคคลย่อมได้รับทุกข์ในสามการอย่างนี้หมายเอาบุคคลที่ไม่ ไม่รู้เท่าถ้าผู้ใดเกิดมาได้มีบุญวาสนาบารมีติดตามมาคือวัตชาติก่อนก็ได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาแต่ก่อนอุปนิสัยนี่มันติดตามมาพอบุญกุศลมาตกแต่งให้ มาตกแต่งสมบัติภายนอกเนี้ยให้ร่ำรวยเงินทองเข้าองของมากๆอย่างนี้มันก็ไม่หลงไม่ลืมนึกถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้แถมเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวทันทีเหมือนอย่างพระรัฐบาลแต่ในขั้งพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นลูกเศรษฐี มีภรรยาทั้งสี่คนเงินทองไม่อดไม่อยากอะไรเลยพอได้ไปฟังพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนละ้วพระองค์ทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่กิรังยั่งยืนจำเป็นต้องได้พลัดพาคจากไปบุค <c oughs> คลส่วนมากก็เป็นธาตุแห่งตันหา มันถึงได้ประสบความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นผู้ใดละตันเหาะหาเสียได้ทุกข์ก็ดับไปหมดท่านได้ฟังอย่างนี้แล้วอาศัยบุญเก่าที่ได้บำเพ็ญมามาช่วยเหลือก็ทำให้รู้สึกนึกคิดในใจว่าชีวิตนี้ประกอบไปได้วยทุกข์จริงๆ เพราะมันไม่กิรังยั่งยืนทรัพสมบัติภายนอกก็ไม่ยั่งยืนทรัพย์ภายในคือกายสมบัติวจีสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนอะไรเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแล้วก็แตกดับไปในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาผูกพันอยู่กับมันทําไมหนีไปบวช ด, ดีกว่าท่านจึงได้ล่มลามารดาบิดา มารดาบิดามีลูกชายคนเดียวก็ไม่ไหวเสียดายอะไรห้ามไม่ให้ไปบวชลูกชายนั่นมีบุญบารมีแก่กล้าแล้วเมื่อพ่อแม่แม่อนุญาตก็ไม่อยอมรับประทานอาหารเลยเอาแล้วอดเข้าไปเนี่ยจนกว่าจะอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็ต้องตายตายก็ตายนี่คนมีบุญมากมันเป็นอย่างนั้นนะ ในที่สุดพ่อแม่ครัวลูกจะตายก็ต้องได้อนุญาตให้ไปบวชเมื่อบวชแล้วได้สดับข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาท่านลงมือประพฤติปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยก็ไม่นานเท่าไหรนะ่นักก็ได้สำเร็จอรหัตผลทีนั้นจึงได้กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ พ่อแม่ก็ยังอ้อนวอนขอให้ศึกษาลาเพศไปครองสมบัติเหล่านั้นท่านยังแนะนำให้บิดาเอาลออเปลี่ยนมาขนสมบัตเหล่านะั้นไปเทลงในน้ำมหาสมุทรทะเลนุ่นมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ถ้าขืนมาครอบครองอยู่ยนี่มันจะเป็นทุกข์หลายท่านก็ไปโปรดมารดาบิดาให้รู้สึกสำนึกตัว ไม่ให้หลงไม่ให้โัวเมาอยู่แต่ในสมบัติภายนอกอันเป็นของไม่กิรังอย่างยืนนั้นทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์เนี่ยควรจับพินิษพิจารณาข้อนี้แหละทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ควรจะพากันพิจารณาด้วยสติปัญญาของตน ให้รู้ให้เห็นอย่าสักแต่ว่านั่งภาวนาง่วงเหงาหาวนอนอยู่เฉยๆหรือว่าสงบจิตอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่วิจารณ์อะไรเลยเช่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์แล้มันก็ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าหากว่า ผู้ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติมาโดยลําดับสําหรับผู้ครองเรือนแล้วก็เริ่มแต่การให้ทานมาแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มาถึงภาวนาแบบนี้ถึงภาวนาพยายามทำใจของตนให้สงบระงับแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูสังขาร น, นามรูปอันเป็นที่อาศัยของดวงกิดเนี่ย เราจะได้อาศัยนามรูปขันหานี้ไปได้เพียงใดถามตัวเองดูแ น, น่นอนแหละมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าเราจะอาศัยนามรูปอันนี้ไปไม่ได้นานแล้วพอหมดบุญเก่าแล้วนามรูปนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปแน่นอนเลยือ่อ ตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองได้นี่มันก็ตื่นตัวแล้วเออเป็นความจริงนะแน่นอนเพราะว่าบรรพบรุษของเราตายมาแล้วนี่นับไม่ถวนนะเอะตลอดมาถึงรุ่นมารดาบิดาท่านก็ล่วงลับไปแล้วบางคนนะแต่บางคนก็ยังอยู่แต่ก็จะต้องล่วงลับไปเหมือนกัน เป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้นะมันก็ตื่นตัวได้คนเราอืองั้นเราจะมาหลงมาเมาอยู่ในโลกียทรัพย์อันเป็นของไม่จรังยั่งยืนนี่ทำไมถ้าออกบวชไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านเรือนนั่นแหละเพราะการปฏิบัติธรรมไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่หรอก โดอที่ไหนก็ปฏิบัติได้เช mm hmm. ่นให้ทานอย่างนี้นะเมื่อตอนมสีสมบัติเข้าของเงินทองแล้วมันก็ให้ได้ mm hmm. พร้อมด้วยมีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลดังกล่าวมานั่นนะมันก็ทำทานได้ทีนี้ผู้ใดเป็นคนเกียจคร้านไม่ทำการทำงานเมื่อไม่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงิน นันเมื่อไม่มีเงินไม่มีทองแล้วอย่างนี้จะไปแลกเปลี่ยนเอาวัตถุทานที่ไหนมาให้ทานได้ทำไม่ได้เลยอย่างคนบุญน้อยทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เราเห็นกันอยู่ดาา ด, ดื่นมีแต่เที่ยวไปหารับจ้างทำงานเป็นกรรมกร ได้รางวันวันละสามสิบสี่สิบบาทอย่างสูงกว่าห้าสิบบาทอะไรอย่างนี้นะพอได้เงินนั้นมาซื้ออาหารการกินไปชั่ววันวันคืนคื น, คนไปเท่านั้นเองแล้วมันจะได้ทำบุญทำทานอะไรนะนั่นไม่มีคนจะได้ทำบุญคนจนอย่างนั้นคนมีบุญน้อยอย่างนี้แหละ ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันจึงว่ามองเห็นผลได้เลยเห็นผลที่คนที่เขาล่ำรวยเงินทองมากๆแต่ไ ม, ไม่ไม่ได้หมายเอาว่าคนไปช่อไปโกงไปหลอกลวงเขานะหมายเอาที่บุคคลแสวงหาเงินทองเข้าของโดยทางสุจริตแล้วมันล่ำรวยขึ้นมาหรือไม่่นะนับนหมายเอา บุคคลผู้มีบุญอาศัยมารดาบิดาได้สะสมเงินทองเข้าของไว้มากมายแล้วก็มาเกิดกับบุคคลเช่นนั้นเขาเกิดมาแล้วก็เป็นคนดีมารดาบิดาไว้เนื้อเชื่อใจเอมอบมรดกเหล่านั้นให้ครอบครองในเวลามารดาเฒ่าแก่ชรามาลูกผู้มีบุญอย่างนั้นะเขาก็ครอบครองสมบัติ น, นั้นได้อนั้นได้ แล้วเขาก็ยังเฉลีย่ยแบ่งสรรปันส่วนให้แก่บุคคลที่ควรให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาทำทรัพย์ภายนอกนั้นแลกเอาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลได้อย่างตามความต้องการคนผู้มีบุญคนผู้ได้ฝึกตนมาแต่ก่อนแล้วเป็นอย่างนั้น อย่างคนทุกวันนี้เนะี่ยที่ได้ตั้งอกตั้งใจธนุบำลุงวัดวาศาสนาส่วนมากก็คนมีฐานะดีคนมีเงินมีทองแต่คนจนก็มีรอกอผู้มีศรัทธาก็ได้อาศัยกำลังกายมาช่วยกิจธุระการงานในวัดวาอารามไอ้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เริ่มตื่นตัว เริ่มสั่งสมบุญกุศลไปทีนี้ชาติต่อไปเบื้องหน้าก็จะไม่ได้เป็นคนจนอย่างนี้อีกแล้วผลแห่งความดีที่ทำในชาตินี้มันก็จะอำนวยผลให้ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญมากๆนั่นแหละอย่างที่ว่ามาแล้วไปเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นต้นอย่างนี้นะ นี่แหละเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเนะ่ไม่ควรที่จะอ้างโน่น อ, อ้างนี่ในการทำความดีนะบางคนคนรวยคนมีเงินทองมากๆ ม, มีการงานมากก็อ้างว่าไม่มีเวลาบริหารตั้งแต่ธุรกิจการงานอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะทำบุญทำทานไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมจิศีล เมื่ออ้างอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ทำบุญเสียเลยทำกันนิดนหน่อยหน่นนอยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วชีวิตของม น, นกษตกต่ำแล้วไปเกิดในชาติหน้าก็เกิดในตระกูลคนจนมานี่เพราะตนไม่มีบุญนี่มันจะไปเกิดกับคนรวยเขาไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นคนอ้างอางการอ้างเวลาเอาแบบนี้ บุคคลใดรู้ว่าตนเป็นคนจนอย่างนี้มีใครมาชักชวนไปทำบุญก็อ้างว่าตนนั้นเป็นคนจนไม่สามารถที่จะขวัดเข้าวาได้ไม่สามารถที่จะสละเงินทองให้เป็นทานได้เพราะมันไม่มีอ้างอย่างนั้นแล้วก็ไปเที่ยวหารับจ้างหรือบางคนไปเที่ยวขอทานเขากินไป ว, วันวันคืนคืนไปเท่านั้นเองลน ว, วันนี้สำหรับคนที่มีอุปนิสัยวาสนาดีมาแต่าชาติก่อนบ้างแต่ว่ามันมีกรรมชั่วตามมาสนองเอาให้เป็นคนจนอย่างนี้นะมันก็ไม่ไม่จมไปทีเดียวเลยคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่าชาติก่อนอย่างเช่นเรื่อง บันิตะสามเณร น, น, นั่นเอตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็เป็นคนยากคนจนแต่ศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นเองปูกกระท่อมอาศัยอยู่สองหัวเมียก็ไปรับจ้างบ้านเศรษฐีนั่นแหละไปรับจ้างทำงานให้เศรษฐีฝ่ายเมียเอา ทำข้าวตักน้ำให้เศรษฐีฝ่ายผัวฟาดผ่าปื้นให้เศรษฐีเศรษฐีก็ให้ข้าวให้อาหารไปบริโภคกันแต่ก่อนนั้นเพื่อนจ้างกันมักจะให้แต่วัตถุสิ่งของเงินไม่ค่อยให้ที่อยู่มาวันหนึ่ง คนในเมืองนั่นเนี่ยชักทวนกันทำบุญเลี้ยงพระกันไม่ได้ไปรวมกัะเลี้ยงที่วัดบ่นี่นี่มนุ์พระไปฉันที่บ้านของตนมันก็มีเจ้าหน้าที่เจ้าเป็นทำบัญชีไว้เกี่ยวกับนิมนุ์พระให้เจ้าหน้าที่ก็เที่ยวไปตามบ้านเรือนคน ถามบ้านนี้จะต้องการพระกี่รูปต้องการพระหา้ารูปอย่างนี้ก็บันทึกไว้ในบัญชีนั้นบ้านนี้ต้องการพระสิบรูป ก, ก็บันทึกไว้อย่างนี้อ่ะพอดีไปเจอชายทุกขตะคนหนึ่งเข้าก็คงจะรู้จักกันแหละอุบาสกนั่นก็ชักชวนว่า นี่ชาวเมืองนี่เขาจะทำบุญเลี้ยงพระกันจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนแกก็ควรจะรับพระสักองค์หนึ่งไปเลี้ยงในบ้านของตนแล้วแกก็จะได้บุญกุศลติดตัวไปเมืองหน้าก็จะมีความสุขความเจริญชายคนนั้นก็อดควรว่า ผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงพระได้แม้แต่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวก็ยังไม่ไหวอยู่แล้วฉะไหนจะไปเลี้ยงพระได้อุวาศกก็ไม่ท้อถอยพยายามพูดปลอบใจอา้าวถ้าเธอปฏิเสธอ้างอ้างน้่นอ้างนี่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำบุญเลยแหละเกิดมาทั้งทีในชาตินี้เมื่อเธอตายไป เธอก็จะไปตกนรกคนไม่มีบุญนะจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้หรอก mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ควรจะอ้างเลยควรจะรับพระกับเพื่อนสักองคหนึ่งเอาไปเอามาชายคนนั้นกับฝืนไม่ไหวทานนั้นก็ขอรับพระองค์หนึ่งอย่างนี้เจ้าหน้าที่ สมูปบัญชีเนี่นเห็นว่าพระลายเดียวหนึง่งโอ้ไม่ต้องลงบัญชีก็ได้หรอกจำก็ได้แล้วก็เที่ยวไปบ้านอื่นเที่ยวไปคนก็ลงบัญชีคนก็แสดงความจำนวนว่าต้องการพระเท่านั้นลูกเท่านี้รูปในที่สุดก็หมดเลยวะนี้นะ่พระอยู่ในวัด น, นั้นหมดแล้วยังเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ไม่รับลงบัญชีให้ใคร คราวนี้พอถึงอย่างวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเลี้ยงพระแล้วชายคนนั้นก็ไปพบอุบาสกคนนั้นเข้าให้ก็ถามไหนว่าพระผมผมจะเลี้ยงพระเนี่ยโอ้ไปกลวดดูวันที่อ่ะ ไม่มีบัญชีแล้วไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเลยหมดแล้วพระชายคนนั้นก็ร้องให้เสียใจอุบาสกนั่นก็ไม่ยอมนั่นก็ใช้ปัญญาปฏิพัน์เออพรุ่งนี้นะแกจึงไปที่พระคุณคันทั ก, กุดีของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้รับนิมนต์ใคร บางทีพระองค์อาจจะโกรธคนจนก็ได้นะเธออย่าไปเสียใจหวันว่างั้นอุบาทว์ชายทุกขตาคนนั้นก็ดีอกดีใจหวันลุ่งขึ้นก็สั่งให้เมียหุงข้าวไว้ฝ่ายสามีก็จะไปเก็บผักมาลวกมาต้มเอาเลี้ยงพระกัน มันนี้พอเก็บผักไปตามลำห้วยก็ไปเห็นคนตกเบ็ดอยู่ได้ปลามากองไว้ช้ตกเบ็ดก็ถามว่าแกจะไปอะไรมาไปเก็บผักเก็บผักไปอะไรฉันจะเอาไปต้มไปแกงเลี้ยงพระผมรับเลี้ยงพระกับเขาคนหนึ่งฮึพระมันจะไปฉันได้ต้มผักได้ยังไง แกมาขายปลาให้เราแล้วเราจะให้ปลาแกไปปรุงอาหารเลี้ยงพระนั่นเหมือนถึงจะได้บุญหลายปลานั้นเอามาทิ้งไว้บนบ่คงตายชายทุกตะคนนั้นก็ร้อยปลาไ ว, เว้เป็นพวงเป็นพวงอ่ะใครมาซื้อก็ขา ย, า ข, ายขายเอาเงินให้เจ้าของเบ็ดพอถึงเวลาแล้วก็ลาเจ้าของเบ็ด กลับไปเจ้าของเบกะให้ปลาตะเพียนกลับไปถึงบ้านวันนี้ก็เตรียมจะไปทำอาหารพอดีร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์เล็งที่พระเนตรลงมาก็เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับนิมนต์ใครแล้วก็รู้เลยว่าชายทุกตะคนนี้ พระพุทธองค์จะเสด็จมาโปรดดังนั้นจึงได้หายจากเราดึงลงมานิรมิจ ต, ตัวเป็นพ่อบครัววะนี้ไปเจอกับชายทุกขะตะคนนั้นเข้าบอกแสดงตนว่าเรานั้นเป็นพ่อครัวเป็นผู้ทำนานในการปรุงอาหารท่านจะทําอาหารอะไรเล่าทําอาหารรับประทานหรือว่าทํายังไง เราจะทำอาหารเลี้ยงพระเรารับเอาพระองค์หนึ่งจะสมุบัญชีเข้ามาถวายพระทหารในบ้านนี้ให้ท่านฉันเออถ้าท่านจะทําบุญนําทานอย่างนั้นเราจะรับเป็นพ่อครัวกุง่านให้ท่านแล้วเราก็ไม่เอารางวันอะไรทั้งหมดทําให้ฟรีๆท่าน จงไปนิมนต์พระในวัดมาเราจะทำอาหารไว้ให้เรียบร้อยเลยชายคนนั้นก็เลยไปพอเชนนั้นแล้วพ ร, พระญาอินแปลงนี้ก็เข้าครัวก็ไม่ให้แม่บ้านไปวุ่นวายให้อยู่สบายสบาย ก็เข้าครัวไปเพื่อนก็ไปปรุงอาหารอันเป็นอาหารอันเป็นทิพย์อาหารมีรสเลิศเสร็จแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้อย่างดีมีข้าวมีกับอะไรพร้อมมานิชัยคนนั้นเข้าไปในวัดพวกเศรษฐีกะหาบอดี ตาต่างก็ไปคอยที่จะรับบาดพระองค์นิมนต์พระองค์ไปฉันพรตทหารในบ้านของตนแต่พระองค์ก็ไม่ยอมเปิดประตูเอาใครชายทุกะตะคนนั้นเขาไปถึงตีนบันไดแล้วก็ไปนั่งคุกเข่ากราบลงเสร็จแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์นี่เป็นคนยากคนโจนมีศรัทธาจะทําบุญเลี้ยงพระ กับเพื่อนในวันนี้นะแล้วหาพระที่ไหนก็ไม่ได้ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเถิดพระเจ้าค่าขออัติมลไปฉันพระทหารที่บ้านของข้าพระองค์พระองค์ก็เปิดประตูออกให้เลยชายคนนั้นก็ขึ้นไปพระองค์ก็ท่งบาตรให้รับเอาบาตรจากพระองค์แล้วก็ลงมาพวกเศรษฐีเหล่านั้น จะให้เงินแก่ชายคนนั้นขอให้ชายคนนั้นให้บาทแก่เขาให้พันหนึ่งก็ไม่เอาให้มื่นหนึ่งก็ไม่เอาให้เท่าไรก็ไม่เอาเพราะข้าพเจ้าเป็นคนจนเพราะไม่มีบุญ่ะวันนี้จะได้ทําบุญกันอเผื่อว่าชาติหน้าก็จะได้มีความสุขความเจริญต่อไปพระศาสดาก็ สเสด็จตามชายทุกขตะคนนั้นไปพวกเศรษฐีก็ตามไปว่าไปดูว่าชายทุกตะคนนี้จะมีอาหารดีๆอะไรถวายพระพุทธองค์บ้างถ้ามีอาหารเร็วๆแล้วเราก็จะนี่มนพระองค์ไปฉันที่บ้านของเราพอไปถึงบ้านแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้านี่จะไม่ก้มเลยจะไม่หมอบเลย ไปในที่ไหนๆก็ดีเอ่ก็บรรดานให้แผ่นดินนั้นยุบลงเพราะองค์ก็ทรงพระดำเนินเข้าไปในบ้านนั้นโดยไม่ต้องกม้มประทับนั่งลงในที่เขาปูอาสนะไว้พญยาอยินก็เอาอาหารออกมาจากครัวมอบให้ชายคนนั้นเอาท่านจงใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าซะวันนี้ ชายคนนั้นก็เปิดฝาหม้อนั้นขึ้นกลิ่นอาหารนั้นก็พุ่งไปทั่วบริเวณในเมืองอ น, นั้นหอมหวนพวกเศรษฐีข่าบริเรนนั้นละอายชายคนนั้นก็พากันเดินกลับไปชายคนนั้นก็เอาข้าวเอาอาหารใส่บาตรให้พระองค์พระองค์เจ้ากระทรงฉันพระตาหารอันนั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ไล่พรแล้วก็เสด็จกลับชายคนนั้นก็อุ้มบาตรตามส่งพระองค์ไปจนถึงวัดในขณะที่ชายคนนั้นตามส่งบาตรพระพุทธองค์นั้นก็เกิดแก่จิตประการตกลงมาแต่ในอากาศเฉพาะตกลงแต่ในบริเวณบ้านหลังนั้นตกลงไปเข้าไปในเรือนจนภรรยาก็อยู่ไม่ได้ ต้องออกมายืนอยู่ข้างนอกสามีไปทรงบาท ก, กลับมาภรรยาจึงรายงานให้ทราบว่าแก้วเจ็ดประการตกลงมาจากบนอากาศมาเต็มอยู่ในเรือนของเราผลสุดท้ายชายคนนั้นกับภรรยาก็ได้เป็นมหาเศรษฐีต่อจากนั้นก็ได้ทำบุญทำทานทนุบำรุงวัดวาศาสนาไปจนตลอดชีวิต เมื่อได้กลับมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ได้นามว่าบัณฑิตาสามเณรอายุได้เจ็ดขวบได้ขอไปบวชกับท่าน菩萨ริบุตรท่าน菩萨ริบุตร บ, บวชให้แล้วท่านก็ได้ไปเที่ยวบินทบาทมาเลี้ยงอยู่เจ็ดวันสามเณรบำเพ็ญสมณธรรมเข้าไป ก็ได้สำเร็จอรหัตตะผลในวันที่แปดนั่นเองนี่ก็ด้วยอานิสงที่ได้ทาบุญถวายทานพระพุทธเจ้ามาในชาตินั่นเลงอั น, นนี้ที่ยกเรื่องราวของบุคคลมาเล่าให้ฟังนี่เพื่อให้เป็นสกิพย า, ยานว่าการฝึกฝนอบรมตนการบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันมีผลจริงๆชายทุกตะคนนั่นเขาไม่ได้ทำบา รับจ้างเขาเลี้ยงชีพไปไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ของใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จโกโหกกลอกรวงไม่ได้ด่าว่าใครไมได่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วก็จึงไปเกิดสวรรค์จตุติจากสวรรค์ลงมาก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐี เกิดมาแล้วอายุเจ็ดขวบหนึ่งก็มีศรัทธาออกบวชแล้วนั่นแสดงว่าบุญเพื่อนมันเต็มแล้วเนี่ยบอกบวชไปได้เจ็ดวันวันที่แปก็ได้สำเร็จอรหัตผลพ้นทุกพ้นไทยในสงสารไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัทได้สะดับตรับฟังแล้วขอให้พากันพีนิษพิจารณา พุทธโอวาทศาสนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นนิยานิกระทำนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกภัยไปโดยลำดับได้จริงๆโดยเฉพาะก็พูดถึงเรื่องศีลอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละ ผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจแล้วทำอะไรก็เป็นตะบุญกุศลทั้งนั้นเลยจเจริญภาวนาใจก็สงบระ ง, งับจากนิวร์ทั้งห้าได้เพราะไม่มีบาปมารบกวนเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็จเจริญปัญญาได้ปัญญาก็เกิดขึ้น ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนันใดไปโดยลำดับถ้าถ้าปล่อยวางละความยึดมั่นถือมั่นไม่ ไ, มได้เด็ดขาดทีเดียวก็เรียกว่าละความถือมั่นในขันหานี้ไป ทีละขั้นละขั้นไปขั้นแรกกอดละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไม่ใช่ขันห้านี้ทําบาปมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นขั้นที่สองก็ละนิวรณทั้งห้าอันเป็นเครื่องสกัดกั้นมาให้ปัญญาบาังเกิดขึ้นนั่นได้เมื่อละนิวรณทั้งห้านี้ได้ก็เท่ากับว่าละขันห้า ส่วนกลางได้มเมื่อใจสงบลงแล้วเจริญปัญญาเข้าไปกลละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าส่วนละเอียดเข้าไปได้หมดเลยนี่ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้เนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้สระดับฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจลงมือประพอบพิปปิบาตตาม ก็คงจะได้รับความสุขความจเจริญไปโดยลำดับจนได้พ้นทุกข์ภัยในวตาสงสารดังแสดงมา